เรื่องพระกาลเทระห้ามโยมไปฟังธรรมพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระกาลเทระดังได้ยินมาหญิงคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเป็นอุปัธายิกาบำรุงพระกาลเทระนั่นอยู่คนในเรือนของหญิงนั้นฟังธรรมของพระศัสดาแล้วกลับมาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นอัศจรรย์แม้พระธรรมเทศนาก็ไพเราะหญิงนั้นได้ฟังแล้วอยากจะไปฟังธรรมบ้างแต่ถูกพระกาละเทระห้ามไว้ห้ามอยู่ถึงสามครั้งก็ยังอยากจะฟังอยู่พระเทระห้ามไว้เพราะเหตุว่าหญิงอุปทายิกานี้จะแตกจากตนจึงห้ามเสียข้อนี้คือกลัวจะเสียคนดูแลอุปถาตนไปวันหนึ่ง หญิงนั้นบริโภคอาหารเสร็จสมท า, านอุโบสถแล้วสั่งบุตรีให้ถวายพัตตาหารแก่พระเทระพระเทระรู้เรื่องนั้นทุรนทุรายกลัดกลุ่มอยู่ว่าเดี๋ยวอุบาสิกานี้จะแตกจากเราไปจึงรีบไปเห็นหญิงนั้นฟังธรรมอยู่จึงทูลพระศาสดาว่าหญิงคนนี้เข่าไม่เข้าใจธรรมกถาละเอียด อย่าตรัสธรรมกกาถาละเอียดซึ่งประกอบด้วยสภาวะธรรมอันมีขันเป็นต้นตรัสเพียงฐานกถาสินละคถาแก่เขาก็พอข้อนี้พุทธศาสนิกชนเป็นอันมากก็มักเป็นเช่นนี้เพราะเหตุที่ไม่เคยได้สดับมาแล้วในแสนชาติพระสัสดาทรงทราบอัจาสัยของพระเทระแล้วตรัสว่าคนปัญญาโสดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้า ห้ามปรามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเธอพยายามเพื่อฆ่าตนเองแล้วตรัสพระคถาว่าบุคคลใดปัญญาโชดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าขัดขานคำสั่งสอนของพระอริยบุคคลผู้อรหันต์มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมบุคคลผู้นั้นยอมเกิดมาเพื่อฆ่าตนเหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉช่นั้น ทรงตรัสต่อไปอีกว่าผลกล้วยยอมค่าต้นกล้วยผลนั่นแหลยยอมค่าไม้ไผ่เสียผลนั่นแหลยยอมค่าไม้อ้อเสียลูกในท้องยอมค่าแม่ม้าอัสดรชันใดสักการะก็ยอมค่าบุรุษถอยเสียชนนั้นในเวลาจบเทศนาอุบาสิกาตั้งอยู่ในโซดาปฏิพล เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหลหมายเหตุขันเป็นสภาวะธรรมละเอียดสุขุมลุ่มลึกคำผิรภาพเนื้อธาตุและศีลยากจะเข้าใจเป็นหนึ่งในวิปัสนาภูมิทั้งหกได้แก่อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะและปฏิจจสมุกบาทหากเข้าใจชัดสักภูมิใดภูมิหนึ่งยอมรู้เห็นธรรมบรรลุธรรม เพราะนี้เป็นภูมิแห่งปัญญาย่อมพ้นทุกได้